ปฏิบัติธรรมอย่าทหน้าตาเคร่งเครียดใบหน้าต้องผ่อนคลายการปฏิบัติธรรมคือการผ่อนคลายไม่ใช่เป็นการเก็บกฎธรรมะมีแต่เรื่องผ่อนคลายอย่า ก, กลัวว่าธรรมะจะหลุดหายไปไหนอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราพวกเราก็ปฏิบัติธรรมวันที่เจ็แล้ววันที่เจ็ดเขาเรียกว่าวันสุดท้ายวันสุดท้ายการปฏิบัติธรรม จะสังเกตว่าหน้าตานิ่มแย้มแจ่มใสไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันแล้วตอนนี้มันจะมีการเปลี่ยนย้ายฐานเปลี่ยนพบภูมิในตอนนี้แหละอย่าถือว่าวันสุดท้ายการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการทําความดีให้กับตนเองแล้วถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายเนี่ยมันถ้าว่าเป็นการทําความดีวันสุดท้า ย, ยานั่นหรอมันไม่ค่อยปลอดภัยนะ วันนี้จะาทำความดีมาสุดท้ายหลังจากวันนี้ไปแล้วนี่ไม่ค่อยมั่นใจนะอย่าไปคิดอย่างนั้นการทำความดีไม่มีวันสุดท้ายยิ่งการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีวันสุดท้ายนะมันอย่างกับความเป็นพระสึกจากความเป็นพระเห็นหการบวชเนี่ยเป็นการเว้นความชั่วละชั่วถ้าศึกออกไปเนี่ยดูยปแปลกๆนะ ศึกจากการละเว้นความชั่วออกไปเนี่ยคําว่าฝึกเนี่ยมันมีคําต่อมาคือหลอถ้าศึกได้ต้องหลอแน่ถ้าบวชนี้ได้ศึกษาใช่ไหมเนี่ยอันนี้ตัวอย่างของการบวชของพระกุณฑเจ้าพวกเราก็เช่นเดียวกันการปฏิบัติธรรมไม่มีวันสุดท้ายการปฏิบัติธรรมมีแต่วันเริ่มต้นการทําความดีมีแต่การเริ่มต้นเริ่มต้นปฏิบัติธรรมเริ่มต้นทําความดีวันเนี้ย แต่ว่ามันสมมุติถือว่าสมสมุติว่าเป็นวันสุดท้ายแ ต, าแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถือว่าเป็นวันเริ่มต้นที่จะนําเอาธรรมะเนี่ยไปใช้กับชีวิตประจําวัอนอันนี้ดีกว่านะเป็นวันเริ่มต้นที่จะนําเอาธรรมะไปใช้กับชีวิ ต, ตประจําวันนี่ทํำยังไงที่จะให้เรามีธรรมะในชีวิตประจำวันได้นั้นอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มาก การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันเนี่ยทั้วเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมเลยเราอาจจะมาอยู่รวมกันชั่วพักชั่วครู่สามวันเจ็ดวันอยู่ในรูปแบบอันจริงแล้วเนี่ยรูปแบบเนี่ยเราใช้เฉพาะช่วงเวลาหนึ่งของเราแต่การนํำมาไปใช้เนี่ยใช้ได้ตลอดทั้งวันเลยถ่าเรามาฝึกเอารูปแบบไปใช้ในชีวิตประจําวันธรรมะ มีประโยชสำหรับคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นชายเป็นหญิงเป็นคนที่มีร่างกายปกติเป็นคนที่มีร่างกายพิการหรือเป็นคนที่มีความทุกข์แม้มีความสุขถ้าไม่มีธรรมะเนี่ยมันก็สุขไม่เป็นนะสุขไม่เป็นมันก็เป็นทุกข์ได้มีไม่สุขไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นมันมีประโยชน์ที่ว่าถ้าเรานํานเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยปัญหามันจะลดน้อยลงจะมีความสุขมาก ความทุกข์จะลดน้อยลงไปตามลำดับอย่างน้อยได้ที่พึ่งทางด้านจิตใจเป็นที่พึ่งภายในเพราะชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีความสุขอยู่ด้านเดียวหรอกชีวิตเราเนี่ไม่ใช่มีเพียงสมหวังอยู่ด้านเดียวเรามีความผิดหวังเรามีความทุกข์เนี่ยมันควบคู่กันไปกับความสุขนั่นแหละเห็นมือเรายังมีสองด้าน ฝ่ามือหลังมือความสุขก็เช่นเดียวกันมันมีอากาศจะเปลี่ยนเป็นความทุกข์ได้สมหวังวันนี้พรุ่งนี้อาจจะผิดหวังก็ได้โลกเราเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละมันมีความไม่เที่ยงมีแต่ความเปลี่ยนแปลงทีนี้เวลามีความสุขเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยมีปัญหามันก็มีแต่เรื่องเพลินแต่เวลามีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันก็เพลินนะคุณจะแมว่าเราสามารถเพลินกับความทุกข์ได้ เวลาเราโกรธโอ้โหโกรธได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วจะว่าไม่เพลินได้อย่างไรเวลามีความทุกข์น้ำตานองหน้ามันก็หายได้ยากทุกทั้งวันทุกทั้งคืนเหมือนกันมันก็เพลินได้ทุกทำให้เราเพลินได้เหมือนกันบางคนสนุกกับความทุกข์เพราะนั้นเวลาชีวิตมีปัญหาเนี่ยถ้าเรามีธรรมะเป็นที่พึ่งเนี่ยเราจะสามารถแก้ปัญหาได้เพราะเรามีที่พึ่งภายใน ไม่ต้องพึ่งวัตถุมงคลซึ่งเป็นที่พึ่งภายนอกมีแต่เรื่องหลอกลวงทางนั้นแหละบางคนก็พึ่งอบายามุกเล่นการพ น, นันเสนสิ่งเสพติดเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะไม่ใช่ที่พึ่งนิแทจริงแต่ว่าถ้าเรามีธรรมะเราจะมีที่พึ่งภายในจิตใจไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกก็ได้ก็เราอยากจะมาแมนะนาชักชวนพวกเราเนี่ยลองนาเอาธรรมะ ไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตของผมเนี่ยหลังจากที่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยได้เจอปัญหาจากตนเองและก็คนอื่นมากมายลดแต่ขาดที่พึ่งภายในทางนั้น ต, ตัวอย่างนะเมื่อประมาณปลาเดือนที่แล้วเนี่ยมีเยติธรรมมาที่ชมรมมาทั้งสามีภรรยาเลยเดินมาเนี่ยทั้งสองคนเนี่ย ผมมองหน้าเรารู้เลยว่าใครมีปัญหาใครมีธรรมะมองออกเลยคนไหนมีปัญหาคนไหนมีธรรมะเดินเข้ามาเนี่ยภรรยาหน้าตาเฉยๆสามีเนี่ยขอบตาข้างหนึ่งเขียวช้ำผมรู้นะว่าคิดอะไรไม่ใช่ถูกซ้อมเขาบอกว่าเขาไปหาหมอที่โรงพยาบาลมาภรรยาทาหน้าที่ พาสามีไปหาหมอเพราะสามีเป็นโรคซุมเศร้าเห็น ไ, ไหมโรคฮิตในชีวิตปัจจุบันคือโรคซุมเศร้าหาได้ไม่ยากขอบตาคิวเขีย ว, ยวที่นี่พอจะมีไหมซุมเศร้ามีอาการเป็นอะไจริงนะนอนไม่หลับเพราะอะไรจิตตกคุณแม่ของสามีคุณแม่เสียชีวิตไปประมาณเจ็ดแปดเดือนทําใจไม่ได้ ยังติดอารมณ์อะไรอาวรคุณแม่อยู่นอนไม่หลับจนเปโลกสึมเศ้าต้องไปอาศัยยาที่โรงพยาบาลหาจิตแพทย์แล้วก็หานักจิตวิทยาตกลงกันให้ยาช่วยนอนหลับภระยาเนี่ยเป็นผู้ที่ช่วยเหลือสามีภระยาปฏิบัติธรรมชอบเข้าคอร์สแบบนี้แหละ แต่สามีไม่ได้ปฏิบัติธรรมอายุประมาณ4ี่สิบต้นๆที่อาจจะไม่ถึงด้วยพระยามีที่พึ่งสามีไม่มีที่พึ่งทางด้านจิตใจเขาบอกว่าเขาเกือบจะเป็นโรคประสาทแต่เป็นโรคจิตไปแล้วคิดฆ่าตัวตายเสียคุณแม่ไปแล้วไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ไปทำไมใช่ไมร่างกายแข็งแรงแต่จิตใจอ่อนแอเพราะขาดที่พึ่งทางด้านจิตใจด้านภายใน มันก็ดีนะเนี่ยดีที่ว่าสามีภรรยาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกันอีกคนมีปัญหาอีกคนพาไปหาหมอแต่ว่าผมอยาบอกว่าเราเป็นสามีภรรยากันเนี่ยเราควรจะเป็นเพื่อนร่วมสุขอย่าไปเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เวลาสุขฉันสุขด้วยเวลาทุกข์ฉันไม่ทุกข์กับเธอแต่ฉันจะช่วยเธอให้พ้นทุกข์มันก็อย่างนี้จะถูกต้อง อย่าไปเป็นเพื่อร่วมทุกข์นะถ้าเป็นเพื่อร่วมทุกข์นี่มันกอดคอกันจมนะเป็นเพื่อร่วมสุขเวลาสุขฉันสุขด้วยเวลาทุกข์ฉันไม่ทุกข์ด้วยแต่ฉันจะช่วยให้เธอพ้นทุกข์เห็นไหมพาสามีไปหาหมอพาไปปฏิบัติธรรมเดินตามสายยาต้อยต้อ ย, อยก็ดีนะเขื่อว่างได้เลยเดินตามแล้วเขาก็จะไปปฏิบัติธรรมอันเนี้ย แปลว่าขาดที่พึ่งภายในที่เป็นด้านจิตใจขาดธรรมะเดยนี้มีเยอะนะเป็นโรคจิตโรคประสาทต้งยอฆ่าตัวตายแต่าบางรายก็ธรรมะช่วยไว้ได้เพรา ะ, ะนั้นเราจะทำอย่างไรนะให้มีธรรมะอยู่ภายในจิตในใจเราถ้าเราสามารถนาเอาวิธีการปฏิบัติแบบนี้ไปใช้กับชีวิตประจาวันแล้วก็เราจะสามารถมีธรรมะได้ตลอดทั้งวันเลย ขอเสนอธรรมะข้อหนึ่งที่ชื่อว่าสติสามชัญญะปฏิบัติที่นี่เจ็ดวันก็เจริญสติใช่ไหมเจริญสติประฐานสี่คุณแม่สิริท่านก็สอนเอาไว้การเจริญสติประฐานสี่ถ้าเรามีสติเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะเราได้ธรรมะทั้งหมดเลยนะในพระไตรปิฎกสติตัวเดียวสติเนี่ยเป็นธรรมที่เป็นกุศลเป็นธรรมฝ่ายดี ถ้ามีสติแล้วเนี่ยอกุศลเกิดขึ้นไม่ได้มีแต่กุศลอย่างเดียวสติเป็นธรรมที่มีอุปการะมากสติจําปรารถนาในการทุกเมื่อใช้ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ชีวิตของเราเนี่ยด้วยการมีสติอยู่เสมอๆ เ, เนี่ยเท่ากับเรามีธรรมะไดทั้งวันเลยนะธรรมะเข้าสู่จิตใจได้ทั้งวันเลยสติทําให้เราย้อนกลับมาดูตัวเอง เป็นเครื่องขนส่งธรรมะเข้ามาสู่ตัวเราอันนี้เป็นประโยชน์มากเลยสติคือความละลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวรวมกันเรียกว่าความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวที่เรามาปฏิบัติธรรมกันที่นี่แหละก็เพื่อให้มีความรู้สึกตัวถูกไหมแล้ไม่า้อไปหาที่าาไททนนหนความรู้สึกตัวก็อยู่ที่ตัวเราที่เนื้อที่ตัวเรา เพียงแค่เรานั่งเรารู้ตัวว่าเรานั่งเราได้สติได้ปฏิบัติธรรมแล้วเรายืนก็รู้สึกตัวว่าเรายืนเราเดินก็รู้สึกตัวว่าเราเดินเรานอนก็รู้ตัวว่าเรานอนเนี่ยเราหาวรู้สึกตัวว่าเราหาวจะดืนจะเคี้ยวให้รู้เนื้อรู้ตัวจะขบจะฉันจะคู่เหยียดก้มเงยก็ให้รู้สึกตัวอยู่เสมอเสมอ ให้รู้สึกตัวให้ต่อเนื่องในปัจจุบันอย่างนี้แหละอยู่ที่บ้านก็ทำได้ที่ไหนก็ทำได้จะทำงานแล้วก็ตามไม่ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ทำงานแล้วก็เติมความรู้เนื้อรู้ตัวไปด้วยก็ได้มีการปฏิบัติทำทั้งวันเลยไม่ต้องเข้าคอร์สไม่ต้องไปอยู่ที่วัดก็ได้เราสามารถเติมสติดได้ทุกเวลานอกจากเวลาเราหลับหรือเวลาเราหลงเราเผลอไป และไม่ต้องรู้อะไรแปลกๆรู้เฉยๆรู้ว่าเรากำลังทำอะไรทอนนั้นน่ะจิตก็เป็นกุศลล่ะรู้เฉยๆธรรมดาการที่เรามารู้สกตัวเสมอๆ เ, เนี่ยอย่างต่อเนื่องนะจะให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นให้เราเข้าใจตัวเองเราจะรู้ว่าชีวิตเราเนี่ยวันนี้เรามีความรู้ตัวมากหรือมีความหลงลืมตัวมากเราจะตอบได้ไหม เวันที่ผ่านมาเนี่ยถึงวันนี้เนี่ยเราสรุปเลยว่าเรามีความรู้ตัวมากหรือหลงลืมตัวมากคําว่าตัวเนี่ยคือเราเนี่ยนะถ้าเรามีความรู้ตัวว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นในปัจจุบันเนี่ยอันนี้รู้แต่ถ้าเราเผลอไปจิตใจเลื่อนลอยไปที่บ้านหลงลืมตัวละลืมตัวลืมใจพอให้คําตอบได้ไหมตอบในใจใช่ไหม ไม่ต้องให้ใครก็าดูให้เราว่าฉันหลงมากไหมผมหลงมากไหมใครจะไปรู้ความหลงของเราเราหลงเองก็ต้องรู้เองใช่ไหมเราสามารถวัดผลตัวเราได้เลยรู้ว่าอ๋อนี่เราชีวิตของเราที่ผ่านมาเนี่ยมันหลงมากกว่ารู้นะมันไม่ผิดไม่ถูกหรอก ท, ที่ว่าเรารู้ทันหรือไม่เท่านั้นเนี่ยคือสตินะเราจะรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นเรามีกิเลสมากน้อยแค่ไหน ไม่มีใครตอบเราได้เราย่อมรู้ตัวเราเองถ้าเมื่อย น, นี่เปลี่ยนยาบทได้นะขยับได้นะไม่บาปนะทำด้วยความรู้ตัวได้บุญอย่าทำด้วยความโกรธเครียดนันก็เป็นบาปเปลี่ยนได้ดีแล้วที่มันยังเมื่อยอะ่ะต้องขอบคุณร่างกายที่ทำหน้าที่เมื่อยอย่างผมเนี่ยไม่ต้องขยับหรอกคนที่เป็นอวภาพะแบบนี้ไม่เมื่อยไ ม, ไ ม, ไม่ปวดหรอกเพราะนั้นอย่าไปหงุดอย่าไปเครียด กับอาการของร่างกายที่มันปวดมันเมื่อยต้องขอบคุณมันที่เค้าต้อหน้าที่อยู่เปลี่ยนได้แต่เปลี่ยนด้วยความรู้สึกตัวก็มีการปฏิบัติธรรมไปกับทุกเวทนารื่ซ้ำไปนั่นถ้าเรามี็นสติตามรู้ตัวเราเรื่อยๆเนี่ยเราจะเข้าใจตัวเราว่าเรามีความอยากความโลภมากน้อยแค่ไหนไม่ต้องรอเวลาตักอาหารหรอกเวลานี้จิตมันก็คิดได้ว่าเรามีความโลภมากน้อยแค่ไหนแล้วมีความโกรธความหงุดหงิด เป็นเจ้าเรือในจิตใจเราหรือเปล่าเราติดอารมณ์ไหมเรามีความหลงลืมตัวมากน้อยแค่ไหนเรามีสมาธิมั่นคงแค่ไหนเราตอบเองใช่เวลาเราปฏิบัติธรรมหรือการทํางานก็ตามคนที่มีสมาธิมากสมาธิน้อยเนี่ยวัดได้จากการทํางานหรือการปฏิบัติธรรมใช่เวลาเราเดินจงกรมเนี่ยเราเดินไปบางทีมันขี้เกียจ บางทีมันเกิด อ, อารมณ์คิกเกียดเราก็หยุดเวลาเกิดความขยันเราก็ทำํำแย่ถือว่าไม่มีสมาธิแล้วเพราะปล่อยให้อารมณ์เนี่ยบังคับเราคี้เกียดเราก็หยุดขยันเราก็ทําแต่ว่าเราทําตามอารมณ์ถูกไหมนักปฏิบัติเนี่ยขยันก็ต้องทําขี้เกี ย, กยดก็ต้องทำํำถ้ายังทําไม่เสร็จก็ต้องทําการทํางานก็เช่นเดียวกันบางทีงานที่เราทําเนี่ยที่ตามไปมันคิกเกียด เราก็หยุดเสร็จอารมณ์ขี้เกียจพราะขยันก็ทําต่อมันก็ไม่ใช่แต่ว่าเราจะปล่อยจิตใจเราให้เป็นไปตามอารมณ์เอาชนะใจตัวเองไม่ได้แต่ถ้าขี้เกียจแล้วยังทําอยู่เพราะงานยังไม่เสร็จอันนี้ถือว่าไม่เป็นไปตามอารมณ์นะเอาชนะความขี้เกียจเอาชนะอารมณ์ได้เนี่ยฝึกในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจว่าเรามีสมาธิกับการทํางานมากน้อยแค่ไหนวัดผลตัวเองเลย ก็รู้ว่าเราติดอารมณ์หรือเปล่าบางคนติดอารมณ์ติดอารมณ์รักคิดถึงเรื่องความรักแลยทั้งวันทั้งคืนบางคนติดอารมณ์โกรธโกรธทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันมีแต่ความหงุดหงิดปิดอัดกัดเครื่องเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มาดูใจเราหรอกดูอะไรดูคน ท, ทำให้เราโกรธไม่น่าพูดอย่างนี้กับเราเลยไม่น่าทําอย่างนี้กับเราเลยเพ่งโทษคนอื่น ทั้งน้มีความโกรธเนี่ยเราโกรธเองบันโกรธที่ใจของเราแต่จะโทษคนอื่นเนี่ยเรียกนักโทษโทษประพฤติโทษคนอื่นจะไปเกณฑ์ให้คนอื่นเนี่ยได้อย่างใจเราอยากให้คนอื่นเนี่ยทําให้ถูกใจเราอยากให้คนอื่นเนี่ยพูดให้ถูกใจเราใจเรายังไม่ได้อย่างใจเราเลยและใจใคนอื่นได้อย่างใจเราได้อย่างไรเห็นไหม โกรธหิดหไม่น่าอย่างนั้นไม่น่าอย่างนี้เราก็ไปทุกข์อยู่คนเดียวไม่มีใครทำให้เราโกรธไม่มีใครทำให้เราเป็นทุกข์นอกจากใจเรามีความเห็นผิดไปเองใจเราต้องหากเป็นต้นเหตุที่ทำ้ายใจเราเองเพราะขาดสติคอยคุ้มครองดูแลแล้่เวลาเราติดอารมณ์เนี่ยทั้งวันทั้งคืนมาทีนอนไม่หลับคุ้นคิดอยู่แต่เรื่องแบบเนี้ยเรื่องความทุกข์เรื่องอารมณ์แบบเนี้ย เรื่องของความโกรธแล้วเราก็เป็นทุกข์เราก็ไม่มีความสุขใช่ไหมเรื่ติดอารมณ์เนี่ยไม่มีความสุขนะกินข้าวก็ไม่อร่อยดูหนังก็ไม่สนุกมองอะไรมันก็ไม่มีความสุขถ้าเราปติอารมแบบนี้แล้วไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวนะคนรอบตัวเราพลอยฟ้าพอยฝนไปด้วยเขาก็ไม่มีความสุขเหมือนกันเพราะเราโกรธอยู่คนเดียวเนี่ยมุกินอยู่คนเดียวอขารว่าอะไร ขยายฐานของเชีย่ยวโลกควความทุ้กให้คนรอบข้างพลอยหมดสนุกไปด้วยเห็นไหมนั้นระวังให้ดีนะถ้ามีสติรู้ทันในอารมณ์เนี่ยสติจะทําหน้าที่ดึงจิตดึงใจให้ตื่นออกจากอารมณ์ตื่นจากความคิดไม่ตกหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์แบบนั้นให้มันตื่นจากความคิดตื่นจากความง่วงเหงาหาอนอนสตินี่ช่วยได้ ถ้าเราดำเนินชีวิตด้วยการมีสติเสมอๆ เ, เนี่ยกายก็ปกติวาจาก็ปกติคําว่าปกติเนี่ยเป็นศีล น, นะศีลแปลว่าปกติไม่เบียดเบียนใครเราปกติแล้วอย่างตอนนี้มีศีลละไม่ต้องสมาทานก็เกิดสติขึ้นในกายในวาจาไม่ได้ทํำร้ายใครไม่ได้พูดโกหกศีลควบคุมกายวาจาให้ปกติ ศีลจะเกิดขึ้นโดยนั้นต้องอาศัยสติถ้าขาดสติเนี่ยศีลไม่สมบูรณ์กายไม่ปกติวิญญาไม่ปกติเมื่อมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยจะได้สมาธิเป็นของแถมไม่ต้องไปทําสมาธิก็ได้แต่ถ้ามีสติปั๊บสมาธิกเกิดควบคู่กันทันทีเลยสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นหรือความมั่นคงของจิตถ้ามีสติเกิดสมาธิจิตก็เป็นปกติ เมื่อกี้ปกติกายวาจานี่ปกติจิตโปกติคุณจิตคืออะไรคือความสงบไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ที่มากระทบคนที่มีสติมีสมาธิเนี่ย ไ, นะไว้นะไวต่อการกระทบแต่ไม่ไหวตามครวดมากไม่ walk, ไวอกแวกไวแต่ไม่ไหวตามเวลามีอารมณ์กระทบปับ๊บรู้แล้วก็สามารถปล่อยวางอารมณ์นั้นได้ ไว้ต่ออารมณ์แต่ไม่ไหวตามคนที่ขาดสติขาดสมาธินี่ไว้ต่ออารมณ์มากแล้วก็ไหลไปตามอารมณ์เลยนั่นเป็นเพราะขาดสติถ้ามีสติแล้วเนี่ยจะไว้แต่ไม่ไหวตามรักษาจิตให้เป็นปกติได้จิตที่เป็น ป, ก ต, ป, นปกติเนี่ยไม่ทุกนะจิตปิดปกติเนี่ยมีโอกาสเป็นทุกข์ได้จิตปกติคือจิตที่เป็นกลางๆางตั้งมัน่นรู้อยู่ดูอยู่เห็นอยู่ ไม่เข้าไปคลุกเคล้าอารมณ์ที่เรียกว่าเป็นผู้ดูไม่ได้เข้าไปเป็นปลอดภัยนะถ้ามีชีวิตแบบเป็นผู้ดูเนี่ยโอ้สบายเลยดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมดูเกิดดูแก่ดูเจ็บดูตายดูทุกข์แต่ไม่เข้าไปเป็นผู้ทุกข์ปลอดภัยแล้วถ้าเราสามารถจะโสติให้ต่อเนื่องนานๆบ่อยๆเนี่ย ชีวิตจะกลายเป็นผู้ดูเป็นผู้ดูโลกดูโลกด้วยสติและเข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกด้วยปัญญาจะหาทุกข์จากที่ไหนละ่ะดูกายมันแกไม่ได้เข้าไปเป็นผู้แกดูกายมันเจ็บไม่ได้เปเป็นผู้เจ็บดูกายมันตายไม่ได้ไปตายกับกายด้วยดูจิตที่มันคิดไม่ได้เข้าไปเป็นผู้คิด ดูความทุกข์แต่ไม่ได้ว่าเป็นผู้ทุกข์มันปลอดภัยขนานดะนี้ไม่ใช่ปึงความคิดนะเป็นการปฏิบัติเข้าถึงเพราะว่ที่ดูมันปลอดภัยถ้าเป็นผู้ดูเ้าก็ไม่ทุกข์ถ้าเข้าไปเป็นล้วก็ทุกข์จะทำยังไงให้เป็นผู้ดูได้ก็คือการรู้สึกตัวบ่อยๆรู้สึกตัวบ่อยๆให้จิตมันตื่นพอตื่นแล้วมันก็จะ ดูไปเองติก็จะพองสายเบิกบานเพราะตื่นรู้จึงเบิกบานถ้าไม่เตื่นเนี่ยมันไม่เบิกบานเราเห็นว่าเราเนี่ยจะเปลี่ยนชีวิตใหม่เลยใครจเจริองติดต่อเนื่องแค่เจ็ดวันเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้จะรู้ว่าเราเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตใหม่มันเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจใหม่ตอนเนี้มีใครรู้สึกว่าเราเปลี่ยนบ้างไหมผมว่ามีนะสะติเขาทําหน้าที่ เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจใหม่ได้อาจจะเปลี่ยนไม่มากอย่างที่เราต้องการก็ได้อาจจะไม่ถูกใจอย่างที่เราต้องการก็ได้พราเรามีความต้องการมากการเปลี่ยนจะเปลี่ยนโดยไม่มากอย่างที่เราคิดแต่เปลี่ยนก็นแล้วกันนะรับรองได้ <Okay. S 1> เราจะมีความรู้สึกว่าอ๋อเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรามีสติมากขึ้นกว่าเก่าใจเรามั่นคงขึ้น สงบมากกว่าเดิมมีความผ่องใสกว่าเดิมในจิตใจเราเรารู้เองบางทีคนอื่นก็รู้ได้นะว่าเราเนี่ยมันมันม่นคงขึ้นคนใกล้ตัวสามารถสัมผัสได้ว่าเรามปสติมากขึ้นควบคุมใจได้ดีขึ้นก็เคยมียติธรรมมาคุยเมื่อกี้สามีมีปัญหาแต่ยติธรรมคนเนี่ย เป็นฝ่ายภรรยามีปัญหาบ้างมาไล้ฟังว่าเขามีสามีที่ชอบดื่มสุราดื่มสบากกลับบ้านมืดเป็นประจำจะรอทานข้าวพร้อมกับลูกก็ทานไม่ได้บางวันต้องทานอาหารกับลูกสองคนสามีเลิกงานแล้วก็ไปแวะดื่มสุรากับเพื่อนแล้วกลับมาบ้านเมาไม่ม า, ม า, มาก็มาคุยจะทำอย่างไรดี ผมก็ไม่มีภรรยาไม่เคยเป็นสามีใครแต่ได้ฟังปัญหาแล้วก็มันเป็นข้อมอูลของเราเอาอย่างงี้สิเ<ม>ขาคงจะไม่มีความจุขในบ้านละมั้งเขาต้องก็ไปอยู่กับเพื่อนไปสนุกกับเพื่อนผมจะไม่แนะนําอะไรนะเรื่องหลังที่เป็นไงเนี่ยผมไม่รู้เราลองกลับไปทําแบบนี้สิเวลาสามีกลับมาบ้านก็อย่าพูดอะไรทําหน้าที่ภรรยาไปเฉยๆไม่ต้องพูดอะไรหรอกทําหน้าที่ภรรยาไป จะเรียกเขาทานข้าวหรือจะทําแล้วก็ทําไปเถอะเนี่ยแต่อย่าพึ่งพูดอะไรเขาก็ลองไปทําดูสามีก็มารับกลับบ้านมารับที่ทางานเลยนะกลับบ้านในระหว่างขับรถเนี่ยเขาก็ได้กินสุราจากสามีได้กินเหล้าจากวันนี้สามีดื่มสุรามาแต่เขาไม่ได้พูดอะไรนะมันนั่งมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปถึงบ้านก็พูดกับสามีว่าจะทานข้าวก็ทานนะเดี๋ยวตั้งอาหารไว้ให้ ถ้าไม่ทานข้าวก็ไปอาบน้ำนอนก่อนนอนต้องสาผมด้วยนะพูดเป็นแค่เนี้ยสามีก็ว่าง่ายก็นอนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตื่นเช้ามาลูกสงสัยว่าเอ๊คุณแม่มันแปลกๆนะทุกวันในเวลาพ่อกลับมาแม่ต้องบ่นต้องดา่าทำไมวันนี้เมื่อคืนแม่ไม่ด่าไม่บ่นเลยสามีก็ดินบอกเออโลกมันจะถล่มทลายกัตรงนี้แหละท่านเห็นเธอไม่เคยพูด อ, อะไรเลย มันได้ผลนะภรรยาล้วก็เล่าให้ผมฟังว่าแม่กั้นใจแล้วจะแย่เลยมันจะจะพูดได้ไม่ากจะพูดได้พยายามระ ง, งับจิตใจด้วยสติไม่ให้ไปทำตามความอยากที่จะพูดอกอีแป้นจะแตกอยากจะพูดแต่มันกั้นเอาไว้แล้วปัญหามันก็หมดไปสามีเห็นการเปลี่ยนแปลงของภรรยาแค่มีสติควบคุมจิตไม่ต้องพูด มันก็ดีนะถ้าเราพูดออกไปเนี่ยมันไม่จบนะเราพูดออกไปเขาพูดกลับมามันไม่ใช่เป็นการยุตินะเป็นการพูดคนละคำสองคาพูดไปแล้วนันพูดกลับมาต่อล้อต่อเถียงมันก็เป็นปัญหาเป็นความเคยชินที่จะให้เกิดแบบเนี้ยในบัรลุ่งขึ้นดีกก็ได้อีกฝ่ายหนึ่งพูดอีกฝ่ายหนึ่งหยุดเนี่ยมันก็จบแต่ถ้าฝ่ายหนึ่งพูดอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องพูดต่อ เพราะอะไรเพราะว่าขาดสติทําตามอารมณ์ทําตามความคิดทําตามความโกรธไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเป็นการเพริ่มปัญหาสติช่วยได้ตรงนี้ให้รู้จักตัวเราแล้วก็คนอื่นก็เห็นว่าเรานี่มีการเปลี่ยนแปลงและจิตใจเราก็จะดีรู้จักระ ง, งับเราชนะเขานะชนะสามีและชนะใจเราด้วยแต่ถ้าพู้เราไปเนี่ยอาจจะชนะสามีที่เถียงไม่ได้แต่แพ้กิเลสตัวเอง นะสติที่ช่วยได้แล้วมันทําให้ใจเราดีเมื่อใจดีมองอะไรก็ดีนะใจดีที่เป็นพระเขาบว่าใจร้ายเป็นผีใจดีเป็นพระเมื่อใจดีมองอะไรก็ดีการทํางานก็ดีชีวิตก็ดีพระทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นที่จิตใจอันเนี้ยเพราะว่ามีธรรมะเป็นที่พึ่งมีสติสามปัญญะเป็นที่พึ่ง ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในครอบครัวก็จะมีความสุขมากทุกข์ก็จะลดน้อยลงไปไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกพึ่งสิ่งภายในศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้สอนให้พึ่งสิ่งภายนอกนะให้พึ่งตัวเองหลักคำคําสอนนี่ไม่ได้พึ่งคนอื่นเลยพึ่งตัวเองครูบาอาจารย์จะแนะนําเราแต่ก็แนะนําเราให้เราไปทําตัวเราเองธรรมะเนี่ยสอนให้พึ่งตัวเอง เราต้องมีที่พึ่งถ้าขาดที่พึ่งเนี่ยเหมือนคนอนาถาและใครจะช่วยเราได้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองเนี่ยอุนศการางของผมเนี่ยพกเองก็เมื่อก่อนก็ไม่มีที่พึ่งก่อนที่จะมีชีวิตทิพการเนี่ยผมไม่มีที่พึ่งภายในที่พึ่งนอกก็มีมากมายสภาพร่างกายทิพิการอย่างนนเนี้ยจนปัจจุบันเนี่ยก็เข้าปีที่สามสิบล ใช้ชีวิตที่พิการมาเนิ่นนานจนถึงวันนี้ได้เนี่ยเพราะมีที่พึ่งภายในมีธรรมะเป็นนามที่มีอุปการละมากเป็นคู่ชีวิตที่มีแต่ความซื่อสัตย์ซื่อตรงไม่ต้องคอยตามดูไม่ต้องคอยตามจับผิดคู่ชีวิตเป็นราชินีประจำจิตประจำใจเราช่วยเหลือใจเราไม่ให้เป็นทุกข์ถ้าผมไม่มีธรรมะเป็นที่พึ่งเนี่ยสภาพพิการเช่นเนี้ย มันจะอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ไหมผมก็ต้องคิดจนเป็นโรคจิตโาาครคประสาทคลุ้มคลั่งไปเลยก็ได้อาจจะไม่นั่งถึงวันนี้ก็ได้เ น, นี่ยถ้าอยู่ได้ด้วยธรรมะหล่อเลี้ยงจิตใจและก็อยู่อย่างมีคุณภาพด้วยนะอยู่อย่างมีคุณภาพหัวเราะเยาะชีวิตได้เพราะตอนที่ผมพิการใหม่ๆชีวิตต้องประสบขอกรรมหนักแสนสาหัส ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ร่างกายก็พิการแล้วใจมันก็คิดครุ่นคิดหมกบุ้นยอยู่ในความคิดคิดคิดดับเบิลคิดเป็นทุกข์แบบทุกข์ซ้อนทุกข์โอ้ทุกข์มากเลยม่จะแก้ปัญหาตัวเองยังไงนึกอะไรไม่ออกแต่คิดให้เป็นทุกขนะ์ในคิดออกหมกบุ้นมากเลยก็เลยคิดว่าถ้าเราอยู่ในสภาพเช่นนี้ เราคงจะหาความสุขไม่ได้อีกแล้วชีวิตนี้เราต้องนอนเป็นทุกข์ไปตนตลอดชีวิตโอ้คิดทีไรก็เศร้าหมองทุกทีนี่อันตรายแล้วนะมันใกล้อา ก, การจะฆ่าตัวตายนะแต่ไม่ได้คิดนะแต่อาการบอกว่าเนี่ยถ้าคิดต่อไปเนี่ยอาจจะไม่รอดก็ได้ต้องพิการทุกตลอดชีวิตแล้วก็จะหาความสุขไม่ได้ มองตัว เ, เนี่เป็นสิ่งที่ไร้ค่ามาดูว่าทำงานกับตัวเองดีเนี่ยมันขาดที่พึ่งภายในไม่มีธรรมะเนี่ยสภาพอยจีเนี้ยอยู่ไม่ได้อย่างไรใช่ไหมแต่เขาโชคดีที่ว่าหัวสัยกา ร, รยานมิตรมีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกา ร, รยานมิตรพ่อแม่นี่เป็นสิ่งาที่สําสคัญนะถ้าพ่อแม่เป็นมิจฉาทิฐิไม่มีธรรมะเนี่ยก็จะเอาสิ่งอื่นมาให้ลูกอบญญมุกบ้าง แต่ถ้าพ่อแม่ที่มีธรรมะก็จะทำตัวเป็นตัวอย่างแล้วก็นำสิ่งดีๆมาให้ลูกให้เพียงมรดกเป็นสิ่งเงินทองเนี่ยไม่เพียงพอหรอกแต่ถ้าให้ธรรมะเนี่ยชนะการให้ทั้งปวงเลยเป็นสิ่งว้อที่ดีถ้าไม่เราคิดว่าเออคุณพ่อคุณแม่เขาก็ปฏิบัติธรรมนะแล้วเราเนี่ยไม่มีที่พึ่งเนี่ยเราควรจะปฏิบัติธรรมด้วยการเห็น ท่านทาตัวอย่างให้ดูทําให้ใจเราเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีคิดใหม่จะคิดว่าเรานี่แย่แล้วคงจะลำบากแน่มันเปลี่ยนใหม่ว่าเออคนเราเนี่ยมันมีทุกข์ก็ต้องมีความไม่ทุกข์ได้เหมือนกันมันมีทุกข์ได้ย่อมมีความไม่มีทุกข์ได้เหมือนกันมันเหมือนสวิตช์ไฟอะสวิตช์ไฟเนี่ยมันเปิดไฟได้อี่ตรงนี้นะทีต้องเปิดก็สวิตช์เดิมอะ สวิคเดิมันสามารถเปิดปิดไฟได้ใจเราก็เหมือนกันนะมันน่าจะพ้นทุกข์ได้ในสภาพที่เป็นทุกข์มันเกิดการท้าทายก็เลยลองศึกษาธรรมะดูศึกษาธรรมะอา่านสธรรมะฟังธรรมะเข้าใจธรรมะแต่ยังไม่เข้าถึงธรรมะต่างกันนะเข้าใจกับเข้าถึงนี่มันต่างกันนะเข้าใจนี่มันเฉียดใจแต่เข้าถึงนี่อมอยู่ในเนื้อในตัวเลย เข้าถึงธรรมะกับการเข้าใจธรรมะเข้าใจเพียงแค่อยู่นอกๆแต่เข้าถึงเนี่ยมันเข้าถึงิถึงใจเลยแค่อ่านแค่ฟังเนี่ยยังไม่เพียงพอหรอกมันต้องมีการปฏิบัติในอย่างพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติเนี่ยเพื่อ น, นำธรรมะเข้าสู่จิตใจเราก็สายยานขนส่นคือการจารสตินี่แหละจิญสติจารสติในแนวหลวพอเทียนท่านก็มรณภาพไปแล้ว ก็มีหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนเนี่ยซึ่งยังมีชีวิตอยู่ท่านก็สอน<ม>การรูสติแบบเคลื่อนไหวท้าเหมาะกับสภาพของความพิการผมผมยกมือสธิจังหวะผมมันยกไม่ได้ <c oughs> นั่งก็ได้ไม่นานยืนก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้ได้แต่นั่งกับนอนสองอย่างจะทำยังไงการปฏิบัติธรรมมันก็เกิดเกิด อ, อุปสรรคเจอปัญหา แต่เราไม่ยอมท้อแท้ต่อประสบรณมันต้องขอลองดูก่อนแล้วเดินจงกรมไม่ได้เราก็ใช้จงกรมมือเห็นจงกรมมือไหมหลวงพ่อเขียนต้นสอนว่าให้นอนพลิกมือเล่นแต่ก็รู้สึกตัวพลิกมือแล้วก็รู้สึกตัวฮะพลิกมือหงายให้รู้สึกพลิกมือความให้รู้สึกพลิกมือหงายให้รู้สึกพลิกมือความให้รู้สึกให้รู้จใจ ไม่ต้องบริกา ร, รอะไรไม่ต้องหลับตาไม่ต้องคิดอะไรใช้ความรู้สึกตัวล้วนๆรู้ซื่อๆ อ, อย่างนี้แหละพลิกมือรู้สึกตัวมันต่างกับการก้าวเท้าแล้วรู้สึกตรงไหนเหมือนไหมเปลี่ยนจากเท้าเป็นมือเมือจงกลมมือทำมือขวารู้สึกความหงายรู้สึกมันเมื่อยก็เปลี่ยนมือซ้ายบ้าอีวิอาบทมันจากัด การเคลื่อนไหวก็มีได้น้อยเพราะมีแค่ศรีรษะกับผลไหล่เท่านั้นที่เคลื่อนไหวได้ดนั้นเคลื่อนไหวเองไม่ได้ก็อยู่แค่นี้ยชีวิตก็ทําอยู่เนี้ยมือขวาม้างมือซ้ายม้างวันละหกเจ็ดชั่วโมงนะไม่มีงานอะไรทําไม่มีงานทําทําแต่ความรู้สึกตัวเลยละเป็นงานทนานจิตใจหกเจ็ดชั่วโมงมือขวาบ้างมือซ้ายบ้างเดินจงกลมหนึ่งชั่วโมงเมื่อยไหม แล้วพิกมือหกอย่าโมูซ้ายขวาเนี่ย โ, โหต่อสายความอดทนทุกเวทนาก็มากนอนปฏิบัติก็ง่วงอ๋อสารพัดอย่างลุ่มเล่าอุปสรรคต่างๆแต่เราไม่ยอมแพ้เราไม่ยอมแพ้นอนพลิกมือเล่นเนี่ยนอนจนถึงเวลานอนจริงๆเนี่ยเวลาจะหลับตอนสามทุ่มเนี่ยผมทําตั้งแต่เช้านะตั้งแต่เช้าจดเย็นเวลาเมื่อยก็หยุด เวลาหายเมื่อยก็ทําต่อไปมันนอนไม่หลับแล้วมันปวด <c oughs> แกนใ่ใจแก่ขว่าเนี่ปวดหมดเลยนอนไม่หลับบางทีต้องนอนตั้งมือแบบเนี้ยนะตั้งมือแล้วก็หลับนอนตั้งมือเนี่ยตื่นมาที่มือยังตั้งอยู่นี้เลยนะมันปวดมากวางตรงนี้มันก็ไม่สะดวกวางนี่สะดวกมันปวดเลยตั้งแต่ดยตรงกลมเมืม่อยขาในี่ละนอนทําไมนอนยกขาไม่ได้นะมันปวดมันเมื่อยก็ต้องอดทนเราเนี่ยมันทำอยู่อย่างนี้นะ ให้รู้ตัวไปกับการเคลื่อนไหวรู้กายที่มันเคลื่อนไหวมีสติตามรู้กายไปมันก็ไปเห็นจิตเห็นใจเห็นความคิดเนี่ยรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกเมื่อสติมันตื่นตื่นรู้จากการเคลื่อนไหวของกายแล้วมันก็ไปเห็นจิตเห็นใจของเราเห็นไ่มเริ่มต้นจากกายานุปัสสนสติปาฐาน คือการมีสติตามรู้กายพอรู้กายานานๆจิตมันตื่นมันตื่นรู้ไปเห็นส่วนละเอียดของกายคือเห็นจิตเห็นใจที่มันปรุงมันแต่งมันคิดพอทำต่อเรื่องนานๆเนี่ยเข้าใจเรื่องของกายโอ้ร่างกายนี่มันเป็นรูปมันบอกว่ามันเป็นทุกข์ร่างกายนีย่ไม่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์เมื่อกี้เนี่ยเราหิวข้าว เราทานข้าวไปหิวข้าวเป็นทุกข์ด้วยเป็นสุขว่าเดี๋ยวจะได้กินอีกหิวสิดีก็ได้กินก่อนจะเป็นสุขเนะียมาเป็นทุกข์ก่อนเราแก้ทุกข์จากการหิวแล้วไปกินอิ่มแล้วเราก็ว่าสุขที่จริงไม่ได้สุขละทุกข์มันหายไปเราเป็นการแก้ทุกข์ทุกเกิดจากความหิวพอทานอาหารไปแล้วหนึ่งชามทุกข์มันหาย นี่มันก็อร่อยนะะแถมีชามหนึ่งแทนที่จะหมดทุกเพิ่มทุกจากความอิ่มอีกโอ้ว่า่างกายเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์เนี่ยนั่งให้เฉยก็ไม่ได้มันต้องขยับนะมันปวดมันเมื่อยไม่ขยับมันก็บีบคั้นต้องบีบคั้นต้องหายใจเข้าต้องหายใจออกเพราะเป็นการแก้ทุกข์ต้องกระพริบตาใครทำตาแข็งนิ่มอยู่ได้ไหมไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันต้องกระพริบตาเพราะมันมีการแก้ทุกข์ ทุกอย่างในร่างกายเนี่ยมันทุกข์ตรงนั้นเดี๋ยวทางเขาไปแล้วก็ถ่ายออกนั่งนานๆก็เมื่อยเรื่องของกล้างกายนะเรื่องของกายมันเป็นทุกข์เนี่ยความพิการเนี่ยมันเป็นทุกข์ของกายมันเห็นเพราะสติมันเกิดแล้วมันทำให้เกิดปัญญาสตินำปัญญามาเห็นตัวเราเราตามดูกายก็รู้เรื่องของกายโอกายเนี่ยเป็นทุกข์เนาะเห็นทุกข์เท่ากับเห็นธรรมเห็นทุกข์กเห็นธรรม คือความเป็นธรรมดาของเขาคือทุกข์เราไม่สามารถจะบังคับบัญชาได้ไม่อยากให้มันแก่มันก็แก่ไม่อยากให้มันเมื่อมันก็เมื่อยบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวไม่สช่ของเราหรอกเราเข้าใจแล้วโอ้ยความพิการเนี่ยเป็นเรื่องของร่างกายความทุกข์เป็นเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของเรากายเป็นทุกข์แต่ใจเนี่ยไม่ต้องเป็นทุกข์กับเขาเป็นเพียงแค่ผู้ดูแลฮะมันแยกกายแยกจิต แยกรูปแยกนาเลยจิตคือผู้ดูแลเป็นนามกายที่มันทุกขนะ์นั้นเป็นรูปนออกจากความทุกข์ได้ทัานร่างกายทุกข์ของกายนี่ไม่เท่าไหร่นะยังพอจะแบ่งแยกได้แต่ทุกข์ของจิตที่มันคิดปรุงแตง่งเนี่ยไอ้ขวับิการเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะจิตมันคิด คิดบ้าอ๋อนี่ความพิการเป็นเราเราเป็นผู้พิการก็เข้าไปเป็นผู้ทุกข์เลยดิจิตไปคิดปรุงแต่งว่าเป็นตัวของเขาว่าเป็นตัวเราไหมตัวตนเกิดจากความคิดความทุกข์เกิดจากความคิดเขาไม่น่าทำกับเรอย่างนั้นเขาไม่น่าทําอะไรอย่างนี้เราไม่น่าเป็นโครคภัยแค่เจ็บเพราะความคิดเนี่ยมันปรุงแต่งให้เป็นเราเราก็เป็นความทุกข์ความคิดเนี่ยเป็นต้นตอของความทุกข์นะ ถูกไหมเมื่อไม่คิดจิตไม่ทุกข์ถ้าคิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการปรุงแต่งเป็นตัวเราความคิดนำเอากิเลสเอาความโลภความโกรธความหลงมาสูจ่จิตใจเราถ้ารู้ทันความคิดปับ๊บความคิดก็จะดับไปเลยคิดขึ้นมาเรามีสติรู้ทันเนี่ยจบเลยพวกเองนี่ที่เปลี่ยนชีวิตใหม่ได้เนี่ยเพราะเริ่จากการจริญสติเพราะเห็นความคิดจิตเปลี่ยนเลย พอไม่เห็นความคิดไม่เห็นความคิดเมื่อไหร่ล้วก็เราก็กลายเป็นผู้พิการตลอดชีวิตกลายเป็นผู้พิการกลายเป็นผู้ทุกข์พอสติมันจะโลมมันก็เกิดปัญญาเห็นจิตมันคิดชีวิตเลยเปลี่ยนไปออเปลี่ยนจากคนพิการเป็นความพิการความพิการไม่ใช่คนพิการนะออกจากความพิการ กายเป็นผู้ดูความพิการถ้าการสติเนี่ยเราเป็นผู้พิการอันนี้คือส่วนของความพิการนะส่วนทุกคนก็เหมือนกันทุกของกายก็เช่นเดียวกันถ้ามีสติเนี่ยมันกลายเป็นผู้เห็นนะไม่เข้าไปเป็นผู้ทุกข์เหล่านั้นสบายเลยเห็นจิตมันคิดชีวิต เ, ลเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนทันทีเลยไม่ต้องไปเป็นทุกข์เพราะร่างกายที่พิการอีกแล้วมันลาออกไปเลย ไม่ต้องมาทุบเราะความคิดรู้ทันเรื่องของกายเรื่องของจิตชีวิตเลยเปลี่ยนแปลงเข้าใจเรื่องของชีวิตเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นถ้าเราอยากจะเข้าใจคนอื่นนี่มันต้องเข้าใจตัวเองก่อนเพราะคนอื่นกับตัวเราเนี่ยมันไม่ต่างกันติดเหมือนกันรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันเราอยากจะเรียนรู้คนอื่นนั้นเรียนรู้ใจเราให้ได้เราจะเข้าใจคนอื่น เข้าใจชีวิตเข้าใ จ, าใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอาศัยสติสัมปชัญญะนี่แหละทาให้เกิดปัญญาได้เห็นไม่มชีวิตเลยมีความสุขโดยที่ไม่ต้องสแสวงหานะเคยกังวลว่าเราคงจ ะ, สะแสวงหาความสุขไม่ได้อีกแล้วแต่มันพลิกล็อกไม่ได้ฟลุกมันสุขโดยที่ไม่ต้องสแสวงหาความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เกิดจากการดูหนังฟังเพลงเที่ยวเตะหาอย่างเดียวไม่ใช่ อันนั้เป็นความสุขที่อาศัยสิ่งภายนอกถ้าไม่มีสิ่งนั้นเราก็หน่อยต้องดูตลกอยยิ้มแต่ถ้าปฏิบัติธรรมนี่มันสุขแท้าทางธรรมเพราะสุขเพราะเข้าใจตัวเองถ้าเข้าใจตัวเองแล้วก็มันเป็นความสุขสุขแท้าทางธรรมที่ไม่กลับไปเป็นทุกข์อีกแล้วเนี่ยเกิดจากการปฏิบัติธรรมเกิดจากการจริสติในชีวิตประจําวันเชื่อมเปลี่ย น, ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้ หัวราะยะความทุกเรื่องความทุกเป็นเรื่องล่าสมัยหมดสมัยแล้วไม่มีเวลายอดบรรทุกอีกแล้วชีวิตทุกวันเนี่ยเลยเป็นชีวิตที่เป็นกําไรกําไรอยู่นานเท่าไหร่ก็กําไรเท่านั้นทุกวันเนี่ยก็อยู่แบบกําไรชีวิตคือได้จะปฏิบัติกับตัวเองแล้วก็ปฏิบัติกับคนอื่นเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราอย่าคิดว่าเป็นอุปสรรคการใช้ชีวิตเนี่ยมันไม่มีอุปสรรคหรอกความพิการ สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงไม่ใช่อุปสรรคต่อการดาเนินชีวิตนะเนี่ยอย่างความพิการของผมเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคกับการปฏิบัติธรรมเลยแต่กลับกลายเป็นสิ่งท้าทายเราลองมองโลกในแง่ดีรู้จักท้าทายอุปสรรคเปลี่ยนความท้อแท้เป็นท้าทายเปลี่ยนอุปสรรคอุปปกรณ์ในการใช้ชีวิตถ้าเราใช้ชีวิตแบบเจอปัญหาให้ทํำอะไรสักอย่างหนึ่งทําไม่ได้ ไปเสกกะว่าทำไม่ได้ทาไม่ได้เนี่ยเพราะไม่ได้ทำนะทำไมไม่ลองวะอ๋อขอลองดูหน่อยขอลองสักหน่อยถ้าลองทำแล้วมันทำไม่ได้มันก็ยังได้ทำอะ่ะได้ประสบการณ์ต้องลองทำดูก่อนลองสัมผัสดูก่อนอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมมารถจอดปับ๊บโอ้โหโรงแรมชั้นหนึ่งมันต้องเป็นห้องแอร์เพราะสิ่งที่ประสบมานเนี่ยมันห้องแอร์ห้องแอร์มันต้องเย็น เราจะทนได้ไหมเอามาต้องลองดูก่อนพอเข้ามาแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยยิ่งพวกเราเนี่ยนั่งกันเหมือนคนไม่หนาวเออเขาก็ไม่หนาวเราจะหนาวอยู่คนเดียวได้ยไงใช่ไหมมันต้องลองเราสัมผัส ด, ดูเพื่ออะไรให้เกิดความเคยชินลองสัมผัส ด, ดูก่อนได้ประสบการณ์ถ้าเราสามารถชนะอุปสรรคได้เนี่ยเราได้กาไรถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรนะไม่มีขาดทุนได้ประสบการณ์ได้ทดลอง เอาไว้เล่าสู่กันฟังได้เพราะฉะนั้นการทํางานการใช้ชีวิตเนี่ยเห็นอุปสรรคแล้วอย่าไปท้อถอยขอลองดูหน่อยเราจะได้ประสบการณ์ชีวิตเพราะฉะนั้นเรื่องของร่างกายเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคคุณค่าและความหมายของชีวิตในทุกๆคนเนี่ยมันอยู่ที่จิตใจไม่ใช่ที่ร่างกายอยู่ที่จิตใจเรา ความสุขความทุกข์ไม่ใช่ที่ร่างกายที่จิตใจการปฏิบัติธรรมเนี่ยแม้ว่าอาศัยร่างกายแต่เพื่อพัฒนาอะไรจิตใจอาศัยร่างกายเพื่อพัฒนาจิตใจการบรรลุธรรมการหลุดพ้นจากความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจทางนั้นใจนี่สำคัญมากร่างกายเป็นเพียงแค่เปลือกนอกไม่ใช่แก่นแท้ของชีวิต เป็นเปลือกชีวิตแต่จิตใจเนี่ยเป็นแก่นแท้ของชีวิตเขาจึงพูดว่าชีวิตจิตใจคุณมีชีวิตจิตใจชีวิตคือความสดชื่นแล้วก็ต้องพัฒนาได้อยู่ที่วิชีวิตจิตใจใ่ไเพราะนั้นคุณค่าของชีวิตเนี่ยอยู่ที่จิตใจเราจะหลุดพ้นจากเครื่องพัฒ น, นาการของความทุกข์ไม่ใช่ที่ร่างกายอยู่ที่จิตใจร่างกายนี้มันพัฒนาไม่ได้หรอก เดี๋ยมันก็แก่ก็เจ็บก็ตายไปตามกานแตจิตใจเนี่ยสามารถพัฒนาได้พัฒนาสูงจุดจนกระทั่งถึงนิพพานพ้นจากปัญหาทั้งปวงเพราะฉะนั้นคนที่มีร่างกายพิการไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรจิตติเตลเลยเนะ่ยเจ้าหัวร่เยยอดความพิการหัวร่อยยอดความทุกข์ขอบคุณความพิการขอบคุณความทุกข์ที่ทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นทําให้เราได้มาปฏิบัติธรรมได้มาทําประโยชน์ พระ ญ, ญาติธรรมเรามองมาที่ผมเถอส่วนที่ใช้ประโยชน์เนี่ยมันเหลือน้อยเต็มทีมีศีรษะหนึ่งกับแขนอีกสองที่ใช้ประโยชน์ได้มันเหลือน้อยเต็มทีแล้วแต่เราสามารถใช้ส่วนที่ยังพอเหลืออยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูง ส, สุดกับตัวเองและก็คนอื่นได้ต้องขอบคุณเขาที่เขายังเหลือให้แค่นี้ถ้าไม่เหลือเลยเนี่ยมันหมายถึงตายนะมันหมดโอกาสได้แก้ตัว กระโดดน้ำลงไปปุ๊บขอหักตืด อ, อยู่ในสระนะ้ำมันจะไม่มีโอกาสที่ทําประโยชน์เลยดีแล้วที่มันหักไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึงยังเหลือใช้ประโยชน์ได้ต้องขอบคุณจวที่มันยังเหลือให้เราก็ไม่ได้ใช้ส่วนที่เหลือเนี่ยไปเบียดเบียนใครแม้เหลือน้อยเราก็มาทําประโยชน์ได้มาพัฒนาจิตเราและช่วยเหลือผู้อื่นเห็นไหม เราสามารถใช้รูปนามขันธ์ห้าที่คุณพ่อคุณแม่อุตสาห์สร้างให้เราเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดพ่อแม่ก็ได้บุญถ้าเราไปทำชั่วทำให้ดีเนี่ยเราเองก็บาปท่านก็พลอยที่จะบาปไปด้วยแต่ท่านไม่บาปเลยนะเราคิดเองเราเองน่ละเป็นผู้ที่บาปเพราะฉะนั้นจริยธรรมเนี่มีมากกว่าผมนะมีมากกว่าผมทุกอย่างถ้าเราไม่ท้อแท้ ไม่ท้อถอยมีความเพียรพยายามที่ใช้ส่วนที่มีมากเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือดับทุกข์ตัวเราด้วยการปฏิบททัติธรรมแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นจะสามารถที่ทำได้ดีกว่าผมอีกเพราะฉะนั้นการที่เรานำเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์มากอย่าประมาทอย่าใช้ชิตที่ประมาทปฏิบัติธรรมเอาไว้แต่เนิ่นเ ตอนที่ความทุกข์มันยังน้อยปัญหาชีวิตมันน้อยเราสามารถปฏิบัติได้ดีเตรียมเอาไว้เพราะชีวิตขั้นหล้าวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยเราไม่สามารถจะรู้ได้นะเตรียมเอาไว้ก่อนอย่ารอจนกว่ารอแล้วเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วถ้ากับพิบตายอย่างเดียวสายสิตะ ด, ด็อกดกอยู่ในห้องไอซีเนี่ยมันจะปฏิบัติ ท, ทําไม่ได้ตอนนั้นมันจะสายเกินไปแล้ว ตอนนี้ยังมีโอกาสรีบปฏิบัติธรรมซะเตรียมสติเตรียมปัญญาเอาไว้เพื่อไปเชิญกับปัญหาที่เราจะต้องเจอในที่สุภาสีก็อบอกไว้ว่าในยามศึกให้เรารบในยามสงบให้เราซ้อมเตรียมพร้อมไม่ประมาทเนี่ยก็ขอให้กำลังใจกับการสร้างความดีของเราไม่ได้ให้เชื่อแล้วไม่ได้ให้ปฏิเสธแต่ให้นำมาไปพิจารณา อันไหนีปวะโยชน์ก็ไปปฏิบัติดู